เราต้องดูพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรจึงทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราต้องดูพระอาหลานตัสาวกว่าท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงได้เป็นพระอาหลานตัสาวกเราต้องฟังคำสอนของท่านคำสั่งของท่านว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะได้ บรรลุเป็นพออาระอรหันต์หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงต้องศึกษาพุทธประวัติศึกษาพออาระอรหันตตสาวกประวัติศึกษาคำสอนของพอพระพุทธเจ้าและของพออาระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อเราจะได้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 พอพระพุทธเจ้าได้อ่านสารของเทวดาของเทวทูตก็ออกบำเพ็ญจิตตภาวนาเลยถ้าไม่เห็นเทวทูตสี่พระองค์ก็ยังจะหลงอยู่กับความสุขของพระราชวังแต่พอได้เห็นเทวทูตสี่พระองค์ก็ต้อง เตรียมตัวเตรียมใจหาโอกาสหาเวลาพอมีโอกาสมีเวลาที่จะเสด็จออกบําเพ็ญได้ก็ทรงออกบําเพ็ญทันทีเทวทูตสี่ที่พระองค์ทรงได้รับคือไข่คือหนึ่งก็คือคนแก่สองคือคนเจ็บไข้ได้ป่วย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 นี่คือการดำเนินของพระพุทธเจ้าที่ออกจากการอยู่แบบคารวาดอยู่แบบผู้คองเรือนแล้วก็ออกไปอยู่แบบบรรพชิตแบบนักบวชเพื่อจะได้มีเวลาพัฒนาจิตใจได้อย่างเต็มที่ มีเวลาบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้ตลอดเวลาแ่้แต่ตื่นจนหลับการที่มีเวลาได้บำเพ็ญและได้ใช้เวลานั้นให้กับการบำเพ็ญอย่างเต็มที่จึงเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ได้พัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือแรงดึงดืดดึงดูดของโลกแห่งการเวียนว่าตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตอยู่ในพระนิพพานที่มีแต่บรมมามสุขคือเป็นความสุขที่สูงสุดที่เต็น ที่เต็มที่เต็มร้อยและที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปต่างกับความสุขของปุตุชนที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอได้เสพความสุขความสุขนั้นก็จางหายไปก็ต้องคอยเสพใหม่อยู่เรื่อยแต่ความสุขของพระนิพพานนี้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 ให้เราเลึกถึงความแก่อยู่เรื่อยๆให้เราเลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆให้เราเลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีการระลึกอยู่เรื่อยๆมันจะคอยกระทุ้งเราให้ตื่นตัวให้เตรียมตัวเตรียมใจ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 หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจนทำให้เราไม่สามารถออกบาเพ็ญจิตภาวนาได้แต่ถ้าเราคอยลำาลึกอยู่เรื่อยๆถึงความแก่ความเจ็บความตายที่ค่อยเคือบคลานเข้ามาหาเราทีละเล็กทีละน้อยอย่างไม่หยุดยัง้ง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 ถูกความตายเกินไปก็เหมือนกับเหยื่อที่ถูกงูคุบเกินเข้าไปในท้องพองูหุบเข้าไปในปากเข้าไปในท้องแล้วก็เหยื่อนั้นก็หมดโอกาสที่จะทำอะไรได้ต่อไปในขณะที่เรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายนี่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 ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาไปพัฒนาจิตใจของเราในฐานะนักบวชพอเราได้มีเวลาได้บำเพ็ญจิตตะภาวนาได้มีเวลาพัฒนาจิตใจผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะผลก็เกิดจากการบำเพ็ญ น, นี้เอง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 ต น, นเป็นหญิงไม่สามารถที่จะออกบําเพ็ญได้ก็มีผู้หญิงที่เขาบําเพ็ญได้แล้วเขาบรรลุเป็นพระอหรหันต์กันได้ก็มีอยู่จะอ้างว่าเป็นเด็กเด็กก็บรรลุเป็นพระอหรหันต์ก็มีอยู่จะอ้างว่าไม่ได้เป็นนักบวชผู้ที่เป็นฆราวาสก็บรรลุเป็นพระอหรหันต์ก็มีอยู่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 การบำเพ็ญจะไม่บรรลุเป้าหมายได้จะมัววุ่นวายยุ่งกับการสร้างฐานบ่อนและวัตถุสร้างแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการทํานุบํารุงดูแลรักษาเพราะฐานบ่อและวัตถุต่างๆก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงต้องเรามัดระวังหลวงตานี่ท่าน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 ใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรปล่อยก็พูดไปปล่อยเขาว่าไปคำพูดของเขาไม่สามารถส่งเราไปพระนิพพานได้แต่กรรบําเพ็ญจิตตภาวนาของเรนี้จะส่งเราไปนิพพานได้ดังนั้นถ้าเราต้องมาเลือกระหว่างการบาเพ็ญจิตตภาวนากับเรื่องกับเลือกสิ่งต่าง ก็ขอให้เลือกจิตตภาวนาได้เลยรับรองได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างแน่นอนดังที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้เสมอว่าให้สละทรัพย์ให้สล ะ, ะอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อทมอันนี้ก็เหมือนกันให้สละทรัพย์เพื่อบาเพ็ญจิตตะภาวนาให้สละอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อบาเพ็ญจิตตะภาวนา บางครั้งเวลาเราภาวนานี่เราต้องเลือกระหว่างอวัยวะวกับชีวิตกับการภาวนาบางทีเราต้องไปบาเพ็ญในที่มันเสี่ยงต่อความเป็นความตายถ้าเรายังสัระชีวิตไม่ได้เราก็จะไปบาเพ็ญจิตตะภาวนาไม่ได้ถ้าเรากลัวว่าจะเป็นโรคกระเพาะเพราะต้องฉันมื้อเดียวหรือว่าต้องอดอาหารเพื่อเป็นการเสริม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 อย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงอดระกายอาหารได้ถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์สามารถควบคุมความหิวทางใจได้นี่คือตัวอย่างของความสำคัญของการบําเพ็ญจิตตะภาวนาถ้าเราอยากจะออกบําเพ็ญจิตตะภาวนาแล้วมีอุปสรรคเรื่องนั้นเรื่องนี้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 เป็นสมบัติอันล้าค่าอส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี้มันเป็นเหมือนหินกับทรายคุณค่ามันต่างกับเพชรกับพลอยกันอย่างเหมือนฟ้ากับดินเลยการบําเพ็ญจิตตภาวนาเนี่ยจะทําให้เราได้มรรคผลนิพพานที่มีคุณค่าเหมือนกับเพชรกับพลอยส่วนการทําภารกิจ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 อระโสยะา ส, าสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีคายยโกภวะอภพิวาธนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรร ม, มวทานติอายุวันุสุขาง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 เรื่องการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตกับสิลข้อข้อสองนะครับเรื่องอธินามีอยู่สองกรณีอย่างเช่น อ, อในกรณีแรกเนี่ยการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างเช่นเ อ, อเขาบอกว่าเพลงเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดาวน์โหลดมาปุ๊บ อ, อ, อย่างเช่นจาก youtube แล้วเราดาวโหลดมาอย่างนี้เนี่ยจะผิดสินข้อสองหรือเปล่าถ้าไปเอาของเข้ามาเขาไม่ให้โดยเขาไม่อนุญาตมันก็ผิดนะ แลวกรณีที่สองอย่างเช่นเป็นธรรมะของท่านอาจารย์ mm. ซึ่งธรรมะเนี่ยท่านท่านอาจารย์เป็นให้เป็นธรรมทานอยู่แล้ว mm. แต่พอเอาไปขึ้นไปไว้บน Facebook เนี่ยอขออนุญาตครับอใน youtube โดย youtube เนี่ยเขามีกฎว่าอเขาเขียนว่าไฟล์ที่อยู่ในของเขาเนี่ยให้มาเปิดฟังของเขาเท่านั้นห้าม Co อปปไปลงทีนี้คนก็บอกว่าเออซึ่งธรรมะของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นเป็นธรรมทานอยู่แล้วแล้วถ้าเขาไป Co อปปีอย่างเงี้ยมันจะละเมิด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 เห็นเวลาเราฟังเราก็ต้องรู้ว่ากำลังพูดถึงว่าพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงร่างกายหรือพูดถึงความคิดปรุงแต่งหรือพูดถึงสิ่งต่างๆที่มีการรวมตัวกันขึ้นมาสิ่งใดที่มีการรวมตัวกันก็จอมีการแยกแยกออกไปเป็นธรรมดานี่คือหลักธรรมของของการพิจารณาสังขารทั้งปวงท่านเองเรียกว่าสัพเพสังขารานิจาระ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 สังคาเนี้เป็นการรวมตัวกันของของสิ่งต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากธาตุสี่ทั้งนั้นนะไม่ว่าอะไรในโลกนี้ร่างกายของเราก็มาจากธาตุสี่รถยนต์ก็มาจากธาตุสี่ศาลากุฏิบ้านนอาก็มาจากธาตุสี่เสื้อผ้าอะไรที่เราใส่นี้มันก็มาจากธาตุสี่มันเป็นการมารวมตัวของของธาตุแล้วมันก็จะ อยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะมีการแยกออกจากกันท่านถึงเรียกว่าสัพเพาาสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญแล้วมีการเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดาคำถามต่อไปจากคุณขวัญดาวทำสมาธิสติตามลมไม่ละเอียด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 ปัจจุบันดิฉันใช้ชีวิตเพียงลำพังตัวคนเดียวสามีเสียไปแล้วดิฉันจะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ดิฉันมีกำลังจิตที่เข้มแข็งสามารถอยู่คนเดียวได้และต่อสู้กับทุกขเวทนาต่างๆได้โดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวคะก็ต้องเจริญสตินี่เป็นงานหลัก ง, งานที่จะสร้างที่เพื่อให้กับใจเราก็คืองานเจริญสตินี่เอง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 อในการบาเพ็ญในเบื้องต้นก็คือการเจริญสติข้ามขั้นนี้ไปไม่ได้ถ้าข้ามขั้นไปแล้วมันจะไม่เป็นการบาเพ็ญนะครับมันจะไม่เกิดผลขึ้นมาเหมือนกับเรียนหนังสือขอเข้าอนุบาลแล้วก็ไม่กอไก่ขอไข่ไปหัดทำอย่างอื่นเปเรียนอย่างอื่นก็จะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้นะมันมีขั้นมีตอนของมันการปฏิบัติก็มีขั้นมีตอน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 แต่ความขนาดความยิ่งใหญ่แล้วช้างนี้ใหญ่ที่สุดฉันใดทำทั้งหลายถึงแม้ว่าจะวิเศษกว่าสติก็ตามถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นควรพยายามฝึกเจริญสติให้มากๆฝึกทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วต่อไปสมาธิก็จะตามมาปัญญาก็จะตามมาวิมุติลุดพ้นก็จะตามมาอย่างแน่นอน คำถามต่อไปจากคุณสายทานแห่งบุญเวลานั่งสวดมนต์หรือทำสมาธิชอบจุกตรงกลางอหน้าอกบ่อยมากเลยค่ะควรปฏิบัติอย่างไรดีคะถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาที่นั่งก็อย่าไปสนใจมือนถ้านั่งดูละครดูหนังแล้วไม่จุกก็ถือว่าไม่เป็นไรถ้านั่งภาวนาแล้วจุกก็แสดงว่ากิเล ม, มันออกรวดลาย อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับสติไปํำเพ็ญไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุ ณ, ณพนพดลข้อแรกผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังได้สองเดือนปฏิบัติทุกวันไม่ตามใจความขี้เกียจและความอยากต่างๆใช้การนึกพุทธโธ ท, ทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมถึงในชีวิตประจำวัน มีข้อสงสัยมากเรื่องสติคืออะไรครับก็เนี่ยก็เพิ่งอธิบายไปเนี่ยเดี๋ยวฟังดูคงจะเข้าใจนะให้สติอยู่กับคำบริกรม ร, ร, ก ร, กรมเป็นอย่างไรครับก็อยู่กับคำบริกรรมก็อยู่ไปสิก็พุทโธไปอย่าให้มันหายไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นคิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเียงอย่างเดียว สติที่เหมาะแก่การภาวนาหน้าตาเป็นอย่างไรครับอันไหนที่ทําให้ใจเราสงบนั่นเนี่มันก็เหมาะกับเราหน้าตามันก็มีอยู่สี่สิบหน้าตาลองไปเปิดดูในตําราเลยกรรมฐานสี่สิบมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอานาปณะสติมรารานุสติอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสติต่างๆ ข้อที่สองเวลาผมนึกพุทธโธพยายามเพ่งไม่ให้คิดแรกๆกเครียดมีความรู้สึกหนักเคยฟังหลวงพ่อพุทธท่านบอกให้นึกสบายๆพอนึกสบายๆก็เผลอไปครับบางอาจารย์ท่านบอกไม่ให้เพ่งจะติดเพ่งผมควรใช้วิธีไหนครับใช้วิธีของพ๊อพุทธเจนะ้านั่นแหละลองไปศึกษาดู อ่านสติปฐานสูตรดูอันนั้นเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าข้อที่สามข้อนี้ผมมีความกระดากอายที่จะปรึกษาครับคือจิตผมมันคิดไม่ดีไปว่าพระพุทธและพุทธโธใจและพุทธโธใจใจมันคิดเองโดยผมไม่อยากทําผมพยายามห้ามความคิดมันก็ห้ามไม่ได้ไม่สบายใจครับกลัวบาปควรทาอย่างไรดีครับ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 ปุชาวิสชนะผู้ถามคือพระธรรมเจดีกับผู้ตอบคือพระอาจารย์มั่นคำถามว่าทุกนั้นได้แก่สิ่งอะไรคำตอบขันห้าอายตนะหกท่าหกนามรูปเหล่านี้เป็นทุกขสกษัตริ์ท่าหกนามรูปหมายถึงอะไรครับไม่รู้คนไปอ่านมาจากที่ไหนท่าหกไม่ได้วยนะเราที่ได้ยินมันมีแต่ทาสีไม่ใช่นะ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 คนที่ไม่มีแฟนคิดว่ามีแฟนมีครอบครัวแล้วจะมีความสุขเราไปถามคนที่เขามีแล้วว่าเป็นยังไงเราคิดอย่างนี้ดูเราก็จะก็จะหายหลงแต่คนมันก็บ้าบาง ท, ทงีทั้งทั้งที่เห็นว่ามันทุกข์มันก็ยังยืนยันว่าจะเอาอย่างนั้นแหละขอทุกข์ไว้ก่อนยังดีกว่าอย่ังดีกว่าอยู่คนเดียวอพอไปทุกข์เข้าจริงๆแล้วถึงน้ำตาล่ง่ง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 ตอนนี้ในทีวีค่ะหลวงพ่อมีภาพยนต์นเรื่องพระพุทธเจ้าศาสดาโลกศาสดาของโลกแล้วถ้าถือสีนแปะจะดูได้ไหมคะถ้าเป็นการศึกษาพระพุทธประวัติก็ไม่เห็นม่น่าจะมีข้อห้ามตรงไห น, นเพียงแต่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะต่อด้วยเรื่องอื่นตามมาที่หลังมันมจิตใจจะกล้าพอที่พอจบแล้วปิดหรือเปล่า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 อย่างน้อยก็เสี่ยงต่อการการาหานินทาของชาวบ้านว่าอ้นี่ถือศีลแปดแล้วมันยังมานั่งดูพอใจไหมหมดแล้วยังมีอีกข้อนึงค่ ะ, ะมีผู้สงสัยว่า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 มีการลดหย่อนภาษีให้เท่านั้นเองแต่เราไม่ควรทําเพื่อที่จะมากังวลกับไอ้ไอ้ส่วนลดเล็กๆน้อยๆเช่นบางทีโอนเงินทําทําบุญโอนเงินผ่านทางธนาคารเขาลดไม่คิดค่าบริการก็มากังวลกับไอ้ค่าบริการซึ่งไม่กี่ตังค์แต่ไอ้ตัวเงินที่เราบริจาคเนี่ยมันมากกว่านี้ต้องหลายเท่าเราไม่กังวล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 หมดคำถามจากทางบ้านค่ ะ, ะทานี้มีไหมในศาลามีใครอยากจะถามบ้างครับขออนุญาตถามพระ อ, อาจารย์นะครับบอดีได้สนทนาธรรมกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขานั่งจนได้จิตรวมสงบจิตรวมเป็นหนึ่งเนะหลือแต่ตัวรู้แต่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ จะทํายังไงให้ได้อย่างนั้นอีกเพราะทํายังไงก็ไม่ได้เ อ, อผมก็เ อ, อตอบไปว่าก็ให้หาเหตุเหตุเดิมที่ทําให้ให้สามารถนั่งได้เนี่ยทํายังไงเหมายถึงให้รวมจิตรวมได้เนี่ยทํายังไงให้ไปหาเหตุแล้วก็ทําให้เหมือนเดิมดเขาบอกว่าตอบกลับมาว่าเอ อ, อดีตเนี่ยเ อ, อตอนนั้นยังปฏิบัติธรรมไม่มากนะะเพียงแต่ว่าเออ่ไปปีกวิเวกแล้วก็ปล่อยวางเอ ปัญหาต่างๆเนี่ยทิ้งไปทีละปัญหาทิ้งไปจนกระทั่งหมดพอหมดปุ๊บจิตก็รวมรวมลวงแต่กลับกันว่าณปัจจุบันเนี่ยหลังจากปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอปรากฏว่าพอมีอุปสรรคอะไรขึ้นมาหรือมีกิเลส ต, ตัณหาขึ้นมาเนี่ยเพื่อนนี่เขาสามารถตัดทันทีเลยคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็เลยไม่รู้ว่าจะนั่งยังไงให้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 แล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าไปเองณปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ความสงบก็จะต้องอนั่งอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยนะะต้อ ง, ต, องต้องหาวิธีเองเพื่อที่จะรวมให้ได้เป็นหนึ่งแต่เป็นวิธีใหม่ที่ไม่ใช่วิธีเดิมอนะครับถูกต้องไหมครับอาจารย์อ้าวก็เมื่อวิธีเดิมทําไม่ได้นั่นก็ต้องหาวิธีใหม่วิธีนั้นอาจจะเหมาะเฉพาะเป็นวิธีเฉพาะกิจก็เรียกฟลุก